พระพุทธเจ้าทรงตัดโดยว่าภาระาอาเวปัญจขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระหนักภาระาาโลจะปุกคโรแต่บุคคลก็ยึดถือภาระไว้ภาราดานังดุกขั้งโลกเกการยึดถือภาระนหนักเป็นทุกข์ในโลก พารานิเคปนังสุขขัง้งการการปล่อยวางภาระเสียได้เป็นความสุขนิคีปิตวาการุงพลังครั้นปล่อยวางภาระอย่างหนักได้แล้วอันญญ์พลังอนาดิยะไม่ยึดถือซึ่งภาระอย่างอื่นไว้สะมูรังตันหั่งอบุยหะ เป็นผู้รื้อถอนตันหากับทั้งมูลราบเสียได้นิชชาตโตปรินิพูโตติเป็นผู้หมดอยากดับเพลิงกิเลสและกองทุกได้โดยสิ้นเชิงดังนี้อันขันธ์ทางานีพระบรมศาสดา ทรงตรัสว่าเป็นภาระอันหนักมากลองวินิจฉัยกันดูว่าเราจะรู้สึกอย่างที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไก้หรือไม่หรือว่าขันหานี้เป็นของเบาเป็นของอำนวยความสุขให้ตลอดไปอย่างนั้นหรือ อันนี้เป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องพิจารณาดูให้รู้ให้เห็นถ้าพิจารณาตามความเป็นมาของขันห้าแล้วรู้สึกว่ามันเป็นภาระอันหนักเริ่มตั้งแต่มาปฏิสนธิอยู่ในท้องของมารดามารดาก็รับภาระอันหนักน่วงอยู่มาตลอดต้องระมัดระวังไม่ให้กระทบกระเทือน ไอ้ลกที่อยู่ในท้องก็นับว่าอยู่ในที่คับแคบปิดอัดอก็นับว่าเป็นภาระอันหนึ่งที่จะต้องดิ้นรนอยู่ในท้องของมารดาถึงเก้าเดือนคลอดออกมาแล้วก็เป็นภาระอันหนักของมารดาบิดา ที่สาวที่ชายจะต้องช่วยประคบประงมช่วยเลี้ยงดูเพอาช่วยตัวเองไม่ได้มันก็เป็นอย่างนี้แหละอันภาระของขันห้าอันนี้นะพอมันเนื่องอยู่ด้วยปัจจัยสี่เมื่อมารดาบิดาเลี้ยงให้เจริญไว้ใหญ่โตมาแล้วอย่างนี้ก็ เอาต้องมาแบกภาระในการครองเรือนสำหรับพ่อยินดีในการมคุณต้องมาขวนขวายต้องทำการทำงานต้องสเสวงหาอาหารมาเลี้ยงกันต้องสเสวงหาผ้านุ่งผ้าห่มมานุ่งห่มกัน ต้องแสวงหาเงินทองมาสร้างที่อยู่ที่อาศัยต้องเก็บเงินเก็บทองไว้เมื่อเวลาเจ็บไข้ไม่สบายก็จะต้องไปจ้างหมอรักษาคนไม่มีเงินก็ไปรักษาแบบอนาถาเขาอะรักษาไปตามมีตามได้ไม่ได้เอาใจใส่เป็นพิเศษ <c oughs> ภาระอันสำคัญก็คือการกินไม่ได้กินวันหนึ่งก็อยู่ไม่ได้ต้องเดือดร้อนต้องหามากินกันทุกวันทุกวันแต้พวกครองเรือนยิ่งกินหลายเช้าแล้วก็กลางวันแล้วก็เย็นบางทีก็สามสี่ครั้ง น, นุ่นวันหนึ่งวันหนึ่ง กินข้าวแล้วอาหารแล้วก็ยังไม่พ อ, อบางคนนะก็สูบบุหรี่เคี้ยวมาดื่มเหล้าเข้าไปอีกอันนี้เมื่อมีการบริโภคหลายอย่างเข้าไปภาระของการหาเงินหาทองมันก็ยิ่งหนักหน่วงเข้าไปเรื่อย ของบริไม่มีเงินทองมันจะไปได้มาไงอะ่ะไม่มีทางได้เลยต้องมีเงินทองไปแลกเปลี่ยนเอาเอาใกล้เข้ามาอีกการรักษาปรนเปืออัจภาพร่างกายอันนี้จะ ต, ต้องอาบน้าขัดคลทุกวนันทุกวนันถ้าไม่อาบน้ำชำระขัดคลแล้วก็ไม่ไหวส่งกลิ่นเหม็นคุ้งไปทั่ว อย่างนี้ลองลองพิจารณาดูที่เรื่องพาระของขันอ่ะเนี้ยเวลาเจ็บใข้ไม่สบายลงอย่างนี้เราช่วยตัวเองก็ไม่ได้ต้องเป็นพาระของคนอื่นช่วยยกช่วยอุม้มช่วยประคับประคองออบางทีก็ถึงกับว่าป้อนข้าวอ้อนน้ำให้ชำระ สิ่งปฏิกูลต่างๆให้นู่นอันภรรภไม่ใช่แต่ตัวเองเท่านั้นยังเป็นภาระของคนอื่นอีกด้วยเอาใกล้เข้ามาทางจิตใจวะนี่จิตใจนี่ก็มาแบกเอากิเลสไว้หนักซึ่งแบกเอาความอยากความหิวความโลภโกรธหลงอะไรต่ออะไรหนักซึ่งอยู่ในหัวใจ ทำไมใจเรามันถึงหนักหน่วงเอานักหนามันหนักที่ตัวเองมันสร้างกิเลส ท, ทอบเอากิเลสไว้ไม่ปล่อยไม่วางมันมันก็หนักหน่วงอนยะ่นงนะี้ไม่เป็นอันอยู่นั่งก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขไปที่ไหนก็มีแต่อยากมีแต่หิวอยู่ในใจมีแต่อยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดตรงได้ อันนี้เป็นภาระหนักของดวงกิจกิดนั่นหนักน่วงอยู่ด้วยกิเลสบนันนี้กิเลมันทวงเอาอทีนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านิพกิตวาคารุงพาลังอัญังพาลังอนาดิยะนนะเมื่อปรงภาระคือขันธ์ทางห้านี้ลงแล้ว แล้วก็ไม่ไม่ยึดถือเอาภาระอย่างอื่นเอาไว้สมุรังตันหั่งอบุยหะอนะเป็นผู้รื้อตันหากับทั้งมูลรากเสียได้นี่ตกเป็นอันได้ความว่าอันตันหาอุปาทานมันจะเกิดมีขึ้นได้ก็เพราะอาศัยจิตใจมายึดมั่นอยู่ในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนนี่เอง ก็เมื่อปงภาระอันหนักคือปงวางขันทั้งห้านี้แล้วก็ไม่ไปยึดถือเอาภาระอย่างอื่นอีกภายนอกนู่นหรอกไม่ได้สําคัญว่ยวัตถุภายนอกนั้นเป็นตัวตนของเราเป็นเงินทองแก้วแว่นอะไรต่ออะไรโมนี่ก็ไม่ยึดไป่ถือว่าเป็นของเราของเขาเป็นได้เพียงอาศัยใช้สอยไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้น ถ้าหากว่าผู้ใดมากระทาอุบายเยบ็บายในใจอย่างนี้ได้นั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ปองภาระอันหนักลงไปเลยเรื่อยอันประการปองภาระอันหนักนี่บางคนสำหรับผู้คลองเรือนก็อาจจะปฏิเสธอ้าวการคลองเรือนน่ะมันจะไปปองภาระอันหนักนี้ได้อย่างไร ถ้าเป็นนักบวชเพื่อนชั่วน้อยตัวคนเดียวอาจจะเห็นไปอย่างนั้นก็ได้แท้ที่จริงแล้วการปรงพาระอันหนักนี่เป็นหน้าที่ของทุกคนจะเป็นเพศไหนภูมิไหนหวยไหนก็ตา ม, มไม่ควรที่จะเข้าใจไปอย่างนั้นคาว่าปรงพาระอันหนักนี่ เมื่อบุคคลมาพิจารณาเห็นว่าถ้าทั้งสี่ขันทั้งห้าอันนี้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงจังอะไรแล้วอย่างนี้ก็อย่าไปทําบาปที่นั่นแหละอย่าไปใช้ขันห้านี้ทําบาปอย่าไปใช้ขันห้านี้ฆ่าตัดลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาดื่มสุ ร, ราเมรัยเครื่องดองของเมา ของเสพติดใจโทษต่างๆหมดนี่ให้เว้นจากกรรมมันชั่วทั้งหลายเหล่านี้ได้ก็จะไม่ได้แบกภาระของขันห้านี้ให้หนักตึ่งไปกวัวเก่าบุคคลผู้ที่ไปใช้ขันห้าทำบาปจังเก่ามานี่ได้เมื่อตายไปมันจะได้ขันห้านักกวัวนี้อีก ไปเป็นสัตว์นรกอย่างนี้ยิ่งได้แบกขันห้านี้หนักยิ่งกว่าขันของมนุษย์นี่ไปอีกเพราะว่าบาปก ร, ร ม, มันตกแต่งมันจะไม่ไม่มีความสุขสบายได้เลยร่างของสัตว์นรกไหนก็นำรอนลวกไหนก็ไฟเผาตะเกียกตะกายขึ้นจากนรกไปนานิยบาลอคอนไส ต, ตกลงไปในนรก ตายแล้วเกิดไหมบาปยังไม่หมด ต, ตามตำรากล่าวไว้นี่ตายแล้วเกิดทันทีเลยสัตว์นรกเนี่ยในเมื่อกำเวียนยังไม่หมดนายนิยาบาลทําลายลงไปเพราะว่ามันจะหนีนี่มันเบืกเบินจะหนีจากนารกนาะยยาบาลไม่ยอมให้หนีแทงเอาวั่งควันเอาว่ง ตีเอาว่างเอาตายลงไปกรรมไม่ยังไม่หมดมันก็เกิดเป็นรูปร่างขึ้นมาใหม่อีกได้ทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นแหละในนรกนี่นะถ้าหาว่าไม่เป็นอย่างว่านี่พระพุทธเจ้าไม่ได้นํามาแสดงแน่นอนเลยที่พระพุทธเจ้านํามาแสดงพระองค์เห็นแจ้งโดยพย า, ยานอันยิ่งแล้วสงสารสัตว์โลกทั้งหลาย ไม่อยากให้สัตว์โลกทั้งหลายไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในสถานที่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงได้ทรงแนะนําสั่งสอนให้พุทธโลกิษฐ์ทั้งหลายได้รู้จักว่าขันห่านนี่มันเป็นภาระเป็นภาระอย่างหนักอย่างไรให้พิจารณาให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองบัดนี้เมื่อบุคคล ไม่นำขันห้านี้ไปทำบาปดังกล่าวมาแล้วนั้นมันก็ทำในสิ่งที่เป็น ป, ประโยชน์ตนและผู้อื่นแล้วนี้เป็นธรรมดาคนเราจะไปอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกมันก็ต้องมีการกระทำความดีเมื่อละความชั่วเสร็จแล้วมันก็ต้องเสวงหาเงินทองเข้าของ เพราะว่าอัตภาพร่างกายอันนี้มันเนื่องอยู่ด้วยปัจจัยสี่คืออาหารการบริโภคหนึ่งผ้านุ่งผ้าห่มนึงที่อยู่ที่ 5, อาศัยหนึ่งอยู่ยาแก้โรคภัยไข้เจ็บนึงขันทังห้านี่ต้องอาศัยปัจจัยสี่นี้จึงอยู่ได้ถ้าปราศจากปัจจัยทั้งสี่นี้แล้วขันทห้า น, 5, นี้ก็อยู่ไม่ได้เลย ดันั้นแหละพระศาสด า, าทรงสอนให้สเสวงหาปัจจัยทั้งสี่มาบำรุงขันห้านี้แต่โดยทางที่ชอบทางที่มันเป็นบาปห้าอย่างนั้นอย่าไปสเสวงหามันแม้มันจะได้ทรับสินเงินทองมาก็ไม่เอาสำหรับผู้ที่เห็นขันห้าอันดังกล่าวมาแล้วนั้นเป็นภาระอันหนักแก่ตัวเองมากแล้ว ก็พยายามนะพยายามใช้ขันห้านี้ทำแต่สิ่งที่ไม่เป็นบาปเป็นโทษตั้งใจฝึกใจของตนนี้ให้มันละอายต่อความชั่วให้กลัวต่อผลแห่งกรรมชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ตั้งฮีิโอดตะธรรมไว้ในใจอย่างนี้เสมอๆไปแล้ว ก็เมื่อบุคคลไม่ทำช่วยทั้งห้าอย่างนั้นได้แล้วก็มันก็ไม่มีที่จะไปทาช่วยอย่างอื่นไม่มีนั่นเองเมื่อทาความดีเรื่อยไปเช่นนี้แล้วบุคคลผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วก็จะได้ขันอันประนีตเมากว่านี้ออไม่นกักนั่นเองมุนกุศลก็ตกแสงให้ได้รูปร่างได้ขันห้าอันประนีตปันจงสวยสดงดงาม ที่ท่านกล่าวว่ารูปร่างของเทวบุตรเทวดานั้นจะไปไหนก็ไม่ต้องเดินไปเหมือนอย่างมนุษย์ลอยไปเลยพอนึกว่าจะไปไหนแล้วตัวก็ลอยไปทันที เ, เนี่ยมันเบาเนี่ยขันห้าของเพื่อนมันเบามันไม่มีบาตมีแต่บุญกุศลตกแต่งให้เพราะฉะนั้นมันจึงเบาเหมือนปุยนุ่นนี่ก็ ไม่ว่าผู้ใดจะอยู่ในเพศไหนก็ตามมันก็จะต้องพยายามปรองพาระของขันห้านี้ให้จากหนักให้เป็นเบาเหมือนกันหมดเลยแม้เป็นพระภิกษุษสามนเณรเป็นชีเป็นขาวอะไรก็ช่างก็ต้องเพียรพยายามละตัณหาความทะเยอทะยานอยากในใจนี่ให้มันเบาบางลงไป ละอุปท า, านความยึดมั่นในขันห้านี่ให้มันเบาลงอย่าอย่าไปยึดมั่นขันห้าใช้ขันห้านี้ไปทำบาคร่วงทรร่วงวิในาตามเพศตามภูมิของตนผู้ใดตั้งอยู่ในภูมิไหนภูมิของพิษุก็ต้องรักษาที่ขาหมดวิในน้อยใหญ่ที่พระเจ้าทรงบัญญัติ้ามไว้นั้น ไม่ล่วงไม่เกินภูงของสามเณรผู้บวชเป็นสามเณรก็ต้องรักษาสิบขาบทสิบข้อนั้นไว้ให้มันบริสุทธิ์ด้วยดีอย่าไปเจตนาล่วงเด็ดขาดนอกจากสินสิบขาบทสิบข้อนั้นแล้วก็ยังมีเสยขยยวัตอีกเจ็ดสิบห้าข้อ ที่สามเณรจะต้องปฏิบัติตามเช่นเดียวกันกันกบพระภิกษุเขตคียาวัตเจ็ดสิบห้าข้อนี้นะจะต้องเหมือนกันเป็นยา ง, งานสำหรับเป็นที่เป็นพระขาวก็ต้องรักษาศีลแปให้บริสุทธิ์ไม่ยอมล่วงเด็ดขาดไปเลยแล้วก็ แสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างเต็มที่ไม่ร่วงเกินไม่ประมาทในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ด่าไม่ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นคฤหัสถูครองเลือนก็ต้องรักษาศีลห้านี่ให้บริสุทธิ์เมื่อรักษาศีลหน้านี่ ไปแล้วขันห้านี่มันจะมันจะไม่ตั้งมั่นอยู่ได้ก็ก็แล้วแต่มันสําหรับผู้ที่มาเห็นว่าขันห้าอันเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นภาระหนักมากปรารถนาอยากพ้นจากขันห้าอันเป็นมนุษย์นี้ก็อย่าไปใช้ขันห้านี้ไปทำบาปทำแต่สิ่งที่ไม่เป็นบาปเป็นโทษทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและพวกอื่น เข้าไปอย่างนี้นะมันก็จะได้พ้นจากขันห้าอันเป็นมนุษย์นี่ไปแล้วไปได้ขันห้าอันเป็นของเทวดาดังกล่าวมานั้นเนี่ยขันห้านี่มันก็ละเอียดประนิตขึ้นไปด้วยอำนาจแห่งบุญกรรมตกแต่งให้ถ้าเป็นขันของพลมอย่างนี้พัยิ่งละเอียดปณนิตเข้าไปกวดนี้อีกอย่างนี้แหละ บุญกุศลตกแต่งให้นะบุญนี่มันก็เป็นขั้นขั้นไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าพากันไปนิ้งนอนใจว่าไอเราทําความดีมาขนาดนี้เอาแล้วพอแล้วอย่างนี้นี่ไม่ควรที่จะพอใจอย่างนั้นต้องพยายามขยับไปเรื่อยๆให้มันก้าวหน้าไปเรื่อยไม่ว่าคฤรืหัดไม่ว่านักบวชก็ให้ตั้งความหวังไว้ในใจอย่างนี้เสมอไป ว่าเราจะพยายามทำความดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ให้ยิ่งขึ้นไปโดยลำดับเลแเราจกไม่ถอยหลังเป็นเล ด, ดขาดตั้งปณิธานไว้ในใจอย่างนี้ทุกคนออบางคนก็อาจจะว่าอา้าวถ้าตั้งลงไว้แล้วมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันจะไม่เป็นบาปหรื อ, อ, อบางคนก็อาจจะคิดอย่างนั้นไม่เป็น เมื่อเราตั้งใจลงไว้แล้วอย่างนี้เราก็พยายามทำไปสิกะยาประมาทอธิฐานาบรมีนะ่ะความตั้งใจมั่นลงไปต่อาการกระทำความดีด้วยกายวาจาใจเมื่อมีอธิฐานในใจลงไปอย่างไรแล้วมันก็เอาใจใส่ปเป็นพิเศษอย่างนี้แหละยกตัวอย่างเช่นว่า เอาเราจะรักษาศีลนี่ให้มันบริสุทธิ์อย่างนี้นะเราจะไม่ยอมปล่อยให้ตนนั้นมีศีลด่างพร้อยขาดไปพอได้อธิษฐานในใจว่าอย่างนี้แล้วมันก็เอาใจใส่ต่อการรักษาศีล น, นั้นเป็นพิเศษเลยมีสติสมบัติเนี่ยเดินยืนนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรเข้าสังคมไหนไหน ก็ระมัดระวังความประพฤติไม่ให้มันร่วงศีลอไม่ให้มันเผลอไปร่วงศีลไม่ให้ศีลมันขาดมันด่างพร้อยนี่จึงเรียกว่าเป็นผู้ตั้งใจรักษาศีลจริงๆอันนี้ไม่ว่านักบวชไม่ว่าคารืหัดการที่บุคคลจะมีศีลบริสุทธิ์ได้ก็เพราะตั้งใจรักษาอย่างว่านี่แนะถ้าไม่ตั้งใจรักษาแล้วไม่ไม่แล่ะ ไม่บริสุทธิ์หรอกมันต้องเผลอแล้วก็เมื่อเผลอแล้วก็ร่วงรนะ่วงแล้วก็เศร้ามองไปขาดไปอย่างนี้นยอยู่บ่อยๆที่เดียวล่วนะดังนั้นนะการที่รักษาสินมันจะบริสุทธิ์ได้ก็เพราะต่างคนต่างก็พิจารณาเห็นคุณของสินนี่ว่าเป็นของประเสริฐมากถ้ า, าว่าทนได้สินนี่ประดับกายวาจาใจ อยู่เสมอเสมอไปแล้วนั้นได้ชื่อว่าเป็นเป็นอนุภาพได้เครื่องประดับอั น, อนวิเศษยิ่งกว่าแก้วแหวนเครื่องประดับอันสาเร็จแล้วด้วยทองคำธรรมชาติอะไรต่ออะไรหมดนั้นที่มาประดับประดาในร่างกายของมนุษย์นี่ราคาตั้งหมื่นตั้งแสนก็มียังสู้สินไม่ได้บุคคลมีสินประดับกายว า, าใจ ของตอนนี้สง่างามโกนั่นอีกจะไปที่ไหนจะเข้าสังคมใดๆก็ไม่มีใครเข้ารังเกียจเราพบผู้มีศิลปนี้จะต้องฝึกกิริยากายอ่อนโยนต่อสังคมฝึกกิริยาวาจาคำพูดคำจาอะไรก็ต้องอ่อนโยนต้องนิ่มนวลต้องมีเหตุมีผลการพูดเรียกว่าพูดแบบมีศิลปะ เมื่อเป็นเช่นนี้แหละสังคมก็ไม่รังเกยียจคนผู้นั้นนะเพราะว่าเป็นผู้มีศีลสังวรนะแม้ว่าใครจะกระทบกระทั่งมายั่วให้โกรธให้ใช้วาจาหยาบโลนต่างๆก็ไม่ไม่เอาอมีสติห้ามจิตได้ไม่ให้จิตมันหงุดหงิดผุนผันขึ้นมากล่าววาจาหยาบคายต่างๆออกไปนี่เรียกว่าผู้มีศีลสังวรนะ บางคนนะมีศีลแต่เวลาไม่มีเหตุมากระทบะการแสดงกิริยากายในอ่อนโยนดีเวลาที่ไม่มีเรื่องกระทบกระทั่งการพูดจาในก็ออ่อนโยนนิ่มนวลเวลาไม่มีใครมายุยแย่ yeah. ทันพอมีผู้มากระทบกระทั่งเข้าไปนะ่ะทนไม่ไหวแล้ว อ, อาการกายวาจาไปแล้วหยาบโลนไปตังแต่นาแล้ว เช่นนี้ไม่จัดว่าเป็นผู้มีศีลสังวรขอให้พึงเข้าใจศีลก็ย่อมด่างพร้อยเศร้าหมองไปอยู่เลยแหละเป็นแบบนั้นนะเราต้องอดต้องทนสิก็ยังว่าความชั่วจะไปชอบกับมันทาไมการที่เราไม่วันไว้ไปตามนั่นแหละชื่อว่าไม่ชอบกับความชั่ว การที่ปล่อยใจให้วันไหวหรืออาการกายวาจาวันไหวไปตามนั่นคือว่าเป็นผู้ชอบกับความชั่วขนั่นนะต้องให้เตือนตนอย่างนั้นไม่ใช่ว่าไม่ชอบความชั่วนะอืมชอบแหละมันถึงได้ยึดเอามาไว้แล้วถึงจะแสดงความชั่วนั้นออกไปตอบโต้กับคนอื่นต่อไปนี่ถ้าไม่ชอบแล้วอย่างนี้ไม่ยึดถือเอาเลย ใครจะด่าจะว่าไงก็นั่งฟังเฉยๆนี่ไม่ต้องตอบมันไม่เอาไอ้คาด่าว่าของคนอื่นเราก็ไม่ยึดถือเอาแล้วเราก็ไม่ตอบโต้ผู้ใดทำได้อย่างนี้นะผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีศีลสังวรเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ได้ทีเดียวเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พึ่งพาการตั้งอกตั้งใจ สำรวมระวังตนไปด้วยดีอันนี้แหละเกิดมามีขันห้าอันนี้แหละมันเป็นภาระอันหนักอย่างนี้พเพราะพระเทเจ้าจึงได้ทรงสอนให้เราพิจารณาให้มันเห็นว่าเป็นภาระอันหนักมากเมื่อเห็นว่าเป็นภาระอันหนักแล้วเราจะได้เบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วมันก็คลายความยึดครอมถือไม่ใช้ขันห้านี้ทําบาปดังกล่าวมาแล้วนั่นเองแล้วก็ ไม่ยินดีในเวลาขันห้านี่มันเป็นปกติมันมีกำลังแข็งแรงดีแล้วก็ไม่ยินร้ายไม่เสียใจไม่เศร้าโศกในเวลาขันห้านี่มันถึงความวิบัติแปลผันไปนี่จึงเรียกว่าเป็นผู้พยายามปรุงขันห้าวางขันห้าถ้ายังไปแสดงความดีใจเสียใจกับขันห้าที่มันเจริญขึ้นและเสื่อมลง อยู่อย่างนี้นี่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ได้ปรงขันห้าวางขันห้าแล้วยึดขันห้าไว้เต็มตัวเลยทีเดียวไปอย่างนั้นก็จะต้องเป็นภาระอันหนักในหัวใจอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปจะต้องได้ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนใจมายึดถือขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้ใครว่าอะไรหน่อยหนึ่งก็ไม่ได้ สำคัญว่าเขาว่าเราเขาเหย็ดย้มดูหมิ่นเราเขาข่มเหงเราอ่านี่แหละแล้วก็ตอบโต้กันไปแบบนี้นะเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะความสําคัญว่าเขาด่าเราเขาว่าเรานี่กิเลสตัวนี้ยไม่ใช่ย่อยนะอย่าไปประมาทนะอะ่ต้องค้นดูให้เห็นตัวมันเมื่อเห็นตัวมันแล้วทําลายมันเสีย อย่าให้มันมาเสนอหน้าต่อเราต้องทำลายมันให้มันย่อยยับไปเลยอันนี้แหละนับว่าขันห้านี่มีภาระอันหนักมากแต่เมื่อรวมใจความลงแล้วแปลว่ามันเป็นหนักที่ใจนั่นต่างหากเมื่อใจไม่รู้จักปรงุงไม่รู้จักกวางแล้วก็นักใจดวงเดียวนั่นเลย อขันท่าหรือว่าร่างกายนี่มันไม่ว่ามันหนักมันหน่วงอะไรหรอกเพราะมันมันไม่ไม่ได้ได้รับรู้อะไรทั้งหมดถ้าหากว่าไม่มีจิตตรงนี้ครองแล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยการที่มันจะเป็นของหนักอยู่นี่ก็เพราะมันมีจิตตรงนี้ครองอยู่ต่างหากมีจิตตรงนี้อาศัยอยู่ดังนั้นเนีะภาระทั้งหมดถึงว่ามารวมอยู่ที่จิตตรงเดียวนี้ เมื่อใช้ปัญญาสอนจิตนี้ให้มองเห็นขันหานี้ไม่ใช่ตัวตนเราเขาด้วยปัญญาอันแจ่มแจ้งแล้วนี่แน่นอนแหละมันก็เบาใจเลยเออมันก็เบาใครสรรเสริญนินทามาก็ไม่เสียใจดีใจไม่เศร้าโศกไม่โกรธไม่เกรียดมีจิตเป็นกลางวางใจเป็นหนึ่งอยู่ได้อนนี้แหละชื่อว่าบุคคลผู้รงภาระอันนะ แล้วไม่ยึดถือเอาภาระอย่างอื่นมาไว้ก็จะทำให้ตันหาอาชวะกิเลสน้อยเบาบางไปจากคิดใจดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้